โอกาสนี้ที่ได้กล่าวธรรมะอันเป็นคำสอนของสมเด็จตระสัมมาสัมพุทธเจา้าเพื่อเป็นเครื่องกระดับความรู้และเป็นแนวคิดของบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ความจริง เรื่องของธรรมะนั้นท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังและได้ศึกษามามากต่อมากแล้ว <c oughs> การศึกษาธรรมะตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาเรามุ่งที่จะศึกษาให้รู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งปวง ศาสนาพุทธคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของความจริงของตภาวะธรรมเพื่อจะทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังอา จ, จะมาขอใจจะอาจจะขอแบ่งคำสอนหรือคำที่เรียกว่าธรรมะนั่นออกเป็นสองประเภทก่อน ธรรมะที่เราถือว่าเป็นคําสอนของสมเด็จะสมมาสัมพุเตเจ้าแบ่งออกได้เป็นสองประเภทประเภทหนึ่งเรียกว่าสภาวะธรรมอีกประเภทหนึ่งเป็นธรรมะคาสอนธรรมะประเภทที่เป็นสภาวะธรรมนั้น เป็นสิ่งที่มีมาก่อนพระพุทธจเจ้าเปิดที่เรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเหตุว่าความจริงของสภาวะธรรมพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงรู้เห็นรู้ อริยสัจจะทำทั้งสีคือทุกสมุทัยนิโรธมักเป็นต้นอันนี้มีพระพุทธเจ้าพระอะองเดียวเท่านั้นรู้คนอื่นถึงแม้ว่าจะมีส่วนรู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่รู้เหตุรู้ผลแต่รู้ไม่ซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้า อ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาซึ่งเป็นกฎความจริงของสภาวธรรมที่จะเป็นไปนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบและเป็นผู้ทรงรู้จริงเมื่อก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เกิดนั้นความเปลี่ยนแปลงของสภาวธรรมซึ่งเรียกว่าอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตานั้น เขาก็มีการเปลี่ยนแปลงมาก่อนแล้วแต่ถึงจะมีผู้รู้อยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ละเอียดยังรู้ไม่ถึงแก่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้ามารู้แจ้งเห็นจริงแล้วจึงเอาแก่นแท้แห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาออกมาแสดงตีแผ่ให้ชาวโลกไปรู้ข้อเท็จจริง ทีนี่คำว่าสภาวธรรมหมายถึงอะไรบ้างเราทุกคนมีสภาวธรรมที่เราถือว่าเป็นสมบัติของเรามีประจำตัวกันอยู่ทุกคนสภาวธรรมอันนั้นคืออะไรคือกายกับใจกายกับใจนี่แหละคือสภาวธรรม นอกจากกายกับใจจะเป็นสภาวะธรรมแล้วสถานการณ์เรืสิ่งแวดล้อมทั้งหลายที่เราประสบอยู่ทุกเวลาอันนั้นก็คือสภาวะธรรมแม้แต่วิชาความรู้ที่เราเรียนมาจะเป็นขแขนงไหนาศาสตร์ไหนก็ตามสิ่งเหล่านั้นก็คือสภาวะธรรมทางสิ้น นี่แหละคือสภาวธรรมอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งเห็นจริงมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวธรรมอันเป็นของของเราคือกายกับใจนี่นอกจากพระพุทธเจ้าจะทร ง, งรู้ความเป็นจริงของมันแล้วก็ยังสามารถที่จะทรงทราบว่าสภาวธรรมนี้มันเกิดมาเพราะ อาศัยอะไรเป็นเหตุคนที่เกิดมาเป็นคนในอาศัยอะไรเป็นเหตุให้เกิดมาเป็นคนอา น, นิสปุตติเจา้าก็ทราบเหตุที่ทําให้คนต้องเกิดมาเป็นคนก็เพราะอาศัยว่าคนพยายามรักษาศีลห้ารักษากรรมบุตรติ เมื่อใครทำให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีผู้นั้นมีคติอันเชี่ยงแท้จะต้องเกิดมาเป็นคนอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงทราบเมื่อก่อนพระพุทธเจ้ายังไม่เกิดยังไม่มีใครเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตาย <c oughs> แล้วพระไจจปิสอนให้เราพิจารณาให้รู้ซึ่งเห็นจริงตามความเป็นจริงของมันบางท่านอาจจะคิดว่าความแก่ความเจ็บและความตายใครๆเขาก็รู้กันอยู่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงให้มาพิจารณาดูความแก่ความเจ็บแก่ความตายทเทพระองค์ให้พิจารณาความแก่ความเจ็บความตายก็เพื่อเป็นอุบายให้สาธุชนรู้แจ้งเห็นจริงถึงแก่นแท้แห่งความแก่ความเจ็บแก่ความตาย ที่เราได้ยินได้ฟังหรือรู้มานั้นเป็นแต่เพียงรู้ด้วยสัญญาว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่มันยังไม่ซึงถึ ง, ถงจิตถึงใจจิตใจของเราจึงไม่ยอมรับสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไม่ยอมรับรู้สภาพความเป็นจริงของสิ่งเหล่านั้น เราย่อมเกิดมีการมีความรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงในเมื่อประสบความแก่เราเกิดทุกข์ประสบความเจ็บเราทุกข์ประสบความตายเราทุกข์หรือคิดว่าเราจะตายเราก็เกิดทุกข์ขึ้นมาทันทีทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะเหตุว่า เราไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเราจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ไปรู้สึกฝืนกฎของความเป็นจริงเราจรึงพากันเกิดทุกข์สิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงทราบ <c oughs> ในเมื่อพระองค์ทรงทราบแล้วก็นํามาสั่งสอนพุทธบริษัทซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระองค์ท่าน ให้มันพิจารณาให้รู้ถึงสภาพความเป็นจริงเริ่มตนแต่ว่าทราท ร, รมโมหิเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะกลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ทยาที่รรมุมหิเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะกลงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ม ร, รณะท ร, รมุมหิเรามีความตายเป็นธรรมดา จะพ้นจากความตายไปไม่ได้ที่สอนให้พิจารณาอย่างนั้นก็เพื่อให้เรารู้ซึ้งถึงสภาพความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะในการปฏิบัติธรรมะต <c oughs> ามหลักของพระพุทธศาสนานั้นเรามุ่งที่จะทําจิตใจของเราให้รู้สภาพความเป็นจริงให้ลึกซึ้งถึงจิตถึงใจ แล้วจิตใจมันจะได้ยอมรับสภาพความเป็นจริงภายหลังจะไม่เกิดฝืนกดธรรมชาติของสภาวะธรรมในเมื่อเราไม่ฝืนกดธรรมชาติของสภาวะธรรมจิตใจก็ปล่อยวางสบายเมื่อสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่เราไม่วิตกกังวลเพราะเรารู้ซึ่งเห็นจริงแล้วอันนี้เป็นสิ่งที่ เป็นเรื่องของสภาวธรรมและความเป็นไปของสภาวธรรมความเป็นไปของสภาวธรรมส่วนรวมก็คือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานั่นเองอันนี้เป็นธรรมะส่วนสภาวธรรมเรายอมรับว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยที่พระองค์เป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริง และเอีกอันหนึ่งนั่นคือธรรมะคสมาสอนเมื่อพูดถึงธรรมะคือคาสอนก็หมายถึงศีลสมาธิปัญญานั่นเองวันนี้พุทธพรบริษัททั้งหลายมีความสนใจในการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตการปฏิบัติธรรมในทางด้านจิตนั้น เราจะต้องเริ่มต้นด้วยทำตนเป็นผู้มีศีลศีลนี่เป็นสิ่งสำคัญเป็นคุณธรรมอันเป็นภา พ, พื้นเป็นการปรับกายวาจาและใจให้อยู่ในสภาพปกติโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งศีลท้า อันเป็นศีลที่คาววะโดยทั่วไปจะพึงสมาทานปฏิบัติเป็นศีน <c oughs> ซึ่งเป็นหลักใหญ่และเป็นศีลที่สำคัญสีนสิบสีนแปดสีนสิบสีนสองร้อยยี่สิบจ็ดก็รวมลงอยู่ในศีนห้าข้อ <c oughs> จะเป็นผู้ใดก็าตาม ในเมื่อเมื่อมาตั้งใจที่จะสมาทานรักษาศีลห้าข้อเมื่อทําศีลห้าให้บริสุทธิ์แล้วและตั้งใจทําสมาธิภาวนาก็สามารถที่จะทําจิตให้มีความสงบคลู้ซึ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงไม่เฉพาะแต่เท่านั้นยังสามารถให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ยกตัวอย่างเช่นอุบาสิกาในอดีตสมัยพระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ก็มีหลายท่านเป็นพระนางพิสาขามหาอุบาสิกาท่านอนาธาบินดิกาสีาดิกามหาเศรษฐีท่านก็เป็นผู้ครองย้าวกองเลือนแล้วก็มีศีลเพียงห้าข้อเท่านั้นและท่านปฏิบัติธรรมก็ได้บรรลุพระโสดาบัน คนในสมัยปัจจุบันนี้มีแต่เพียงแค่ศีลห้าก็ยังถือว่าเราน้อยหน้าอาน้อยหน้าต่ำตาศีลของเราไม่มากบางท่านก็สงสัยว่ามีศีลห้าไม่สามารถที่จะปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อันนี้เป็นการเข้าใจผิดวามจริงศีลห้าข้อนี้มันเป็นศีลที่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 โูราตื่มของเหมือนเมาถ้าใครสมทานรักษาสีน้าข้อนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วได้เชื่อว่าเป็นการสัดผลเพิ่มของบาปบาปการรมที่เราทำที่จะต้องไปเสวยผลคือไปตกนรกหรือไปทรมานในสถานที่หาความเจริญ ม, มีได้นั้นมีแต่การละเมิดสีน้าข้อเท่านั้น ส่วนอื่นซึ่งเราทำลงไปแม้จะเป็นบาปอยู่บ้างก็เป็นแต่เพียงความหมัวหมองภายในจิตใจเท่านั้นแต่ถ้าใครมีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มีหวังที่จะทำสมาธิปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมรู้แจ้งเห็นริงในสภาวะธรรมได้เพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่สามารถที่จะมีศีลมากๆเกขึ้นไปกว่านั้น ก็อย่าเพิงทำความน้อยอกน้อยใจว่าศีลเราน้อยหรือเกินมันจะไม่ถึงพระนิพพานอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดก่อนที่จะเราก่อนที่เราจะเพิ่มศีลของตัวเองให้มันมากๆขึ้นไปนั้นเราจะต้องพิจารณาถึงสมรรถภาพของตัวเองว่าเราสามารถจะสสรักษาศีลมากมากได้หรือไม่ถ้าเรายังไม่มีสมรรถภาพพอที่จะสสรักษาศีลมากมากได้ เต่าก็ให้มั่นคงแต่เพียงในศีลห้าเท่านั้นทีนี้คาวาสโดยทั่วไปมีแต่เพียงศีลห้าเว้นจากการฆ่าสัตว์รับทรัพย์รประพฤติผิดในกามุสาว่าแต่เล็กเว้นการเสพสรารเรายังประดับตกแต่งด้วยระเบียบของหอมเครื่องย้อมเครื่องทาได้ดูการอ่า โดนหนังดลนละครหรือประโคมขับดนตรีอะไรต่างๆก็ได้นอนบนที่นอนที่สูงที่ใหญ่ก็ได้ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเราไปเพิ่มขึ้นเพิ่มข้อวิการละโพเข้าไปแต่ว่าอดข้าวเย็นไม่ได้เพิ่มข้อมาลาเข้าไปแต่ว่าเว้นจากการประดับตกแต่งไม่ได้เพิ่มข้อนัจคีเข้าไป แต่เว้นจากการดูป้อนลำกลับร้องประโคมดนตรีไม่ได้เผนเว้นข้ออุจจาเข้าไปแต่ก็ยังพอใจตอนในที่นอนที่สูงที่ใหญ่เราก็รักษาไม่ได้เป็นการหาเรื่องเพิ่มบาปให้แก่ตนเองโดยไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นการที่จะตั้งใจรักษาศีลให้มากๆนั้นต้องดูสมรรถภาพของตัวเอง เมื่อเรามีศีลห้าบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วตั้งใจทำสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนาไปเมื่อเราภาวนาเป็นแล้วศีลมันจะเพิ่มขึ้นเองไม่เฉพาะแต่ศีลแปดศีลสิบ น, น, นั้นเมื่อมีศีลห้ามีสมาธิมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริ ง, รงในสภาวะธรรมความเป็นของตัวเองจึ่งมันเกิดขึ้นในจิตแต่แหละ ความที่จิตสงบเป็นสมาธิความที่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริ ง, รงในสภาวะธรรมสามารถทำจิตให้อยู่ในสภาพปกติได้นั่นแหละมันจะเป็นอุบายเพิ่มศีลขึ้นไปอยะว่าแต่เพียงสองรอยี่สิบ็ข้อต่อให้หมื่นข้อแสนข้อมันก็เพิ่มได้ถ้าพื้นฐานของจิตใจดีแล้วเพราะฉะนั้นใครจะปฏิบัติธรรม จะจะขยเบรทานะาของการปฏิบัติต้องของตนเองให้สูงยิ่งขึ้นไปเพียงใดแค่ไหนก็ขอให้พิจรารณาดูสมรรถภาพของตัวเองอย่าไปทำอย่างงมงายทำอย่างมีเหตุมีผลเช่นเพราะว่ารักษาอุโบสถได้บุญมากแต่ในเมื่อเราไปรักษาโบสถ์โปรดข้าวเย็นเราได้รับทุกขเวทนา อย่างในสมัยที่อาตมาเป็นพระเล็กเป็นน้อยอยู่กับท่านในจาย์เต่าแล้วก็ไปพอใจไปติดใจในคำว่าการอดข้าวบางทีก็ชวนกันอดข้าวสามวันห้าวันเจ็ดวันบางทีก็อดกันก็ตั้งถึงเก้าวันก็มี <c oughs> แต่เมื่ออดลงไปแล้วผลที่ได้รับมันก็ไม่ได้รับผลเท่าที่ควร การอดเนี่ยทําให้เราเกิดความเพลียความหิวในเมื่อร่างกายมันเกิดความหิวไม่ได้อาหารบารุงมันก็อ่อนเพลียในเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นเราก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่แทนที่มันจะได้ผลดีก็เลยขาดทุนดีไม่ดีทําให้เกิดโรคทางกายโรคกระเพาะโรคลําไส้ องทนทุกข์ทรมานพยาบาลรักษากันไปเป็นเวลานานๆกว่าจะหายเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่เราจะทําลงไปที่เราถือว่าเป็นข้อปฏิบัติดีปฏิบัติทอบหรือปฏิบัติจริงเราอย่าปฏิบัติกันอย่างงมงาย <c oughs> ทําให้มันมีเหตุมีผลพิจารณาดูสมรรถภาพของร่างกายในจิตใจของตัวเองว่าจะมีความสามารถเพียงใดหรือไม่ อันนี้อาตมาขอให้คติเอาไว้ <c oughs> ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติสมาธิกันดีกว่าไอเรื่องของการปฏิบัติสมาธินี่หมายถึงการทำสมาถะวิปัสสนากรรมาฐานนั่นเองถึงท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังกันมามากต่อมากแล้ว แต่ในบางครั้งบางคราวเราอาจจะมีความสงสัยว่าเราจะปฏิบัติจากไหนแบบใดจพีงจะได้ผลดีบางท่านก็เคยไปถามว่าหลวงพอ่ออยากจะปฏิบัติให้มันได้ผลเร็วที่สุดจะทำอย่างไร ม, ม, มีอุบายวิธีใดบ้างที่จะทำให้ปฏิบัติได้ผลเร็วอาตมา ก, ก็บอกว่ามันไม่มีแล้วในโลกนี้ วิธีที่จะปฏิบัติให้ได้ผลเร็วกันจริงๆก็อยู่ที่การตั้งใจทำจริงทำลงไปโดยปราศจากความลังเลสงสัยใดๆทั้งซึ้นยกตัวอย่างเช่นท่านอาจจะไปศึกษาวิธีปฏิบัติกรรมฐานจากสำนักของท่านผู้ใดผู้หนึ่งเช่นท่านสอนให้ภาวนายกนอปองหลอ เราก็ปักใจมั่นลงไปว่าเราจะปฏิบัติอย่างจริงจังไปเรียนจากหลวงพ่อวัดปากน้ำสัมมา阿拉หังก็ตั้งใจให้มันจริงจังลงไปว่าเราจะปิดว่าจะาปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านถ้า ย, ยัางสมมติว่าไปเรียนจากท่านอาจารย์สาวอาจารย์มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธก็ตั้งใจให้มันมั่นลงไปว่าเราจะภาวนาพุทโธ ข้าสสำคัญมันก็อยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่ตรงการทำจริงอาตามว่าสมมติว่าท่านจะบริกรรมภาวนาอนไดก็ตามหากท่านจะตั้งใจให้มันแน่วแน่ลงไปว่าเราจะทําเราจะนั่งสมาธิให้ได้วันละสี่ครั้งหรือสามครั้งก็ตามแต่ละครั้งจะทำสมาธิให้มันได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง แล้วก็ตั้งใจทำให้มันได้จริงจังลงไปแล้วผลมันจะเกิดขึ้นมาเอง <c oughs> แต่ที่เราปฏิบัติแล้วเราไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะตัดความกังวลสงสัยในระเบียบวิธีการที่ปฏิบัติแบนั้ น, น, น, นเพราะวันนี้มาฟังเทศที่วัดนี้ หลวงพ่อวัดป่าสารวันอาจจะแสดงว่าให้ภาวนาพุทโธแต่ถ้าเผื่อพรุ่งนี้ไปฟังเทศวัดมหาธาตุอาจารย์ใหญ่วิปัสนาท่านอาจจะสอนให้ภาวนาว่ายกหนอปองหนอ่อวันหลังไปวัดปากน้ำหลวงพ่อวัดปากน้ำอาจจะสอนให้สัมมา阿拉หัง แ, แล้วเราก็จะเกิดความสงสัยเอบทำไมพระสอนไม่เหมือนกัน ถ้าเกิดความต้องใสขึ้นมาอย่างนี้ใจของเรามันก็ลังเลในเมื่อลังเลลงไปแล้วเราก็ไม่อาจที่จะจับหลักอันใดมาเป็นข้อปฏิบัติของเราอย่างจริงจังนี่คือคืออุปสรรคสิ่งที่เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมีทางเดียวอยู่ตรงที่ว่าท่านจะปฏิบัติแบบไหนอย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านตั้งใจให้มั่นคงลงไปว่าเราจะยึดแบบนี้แหละเป็นเครื่องปฏิบัติเพราะเหตุว่าทำบริกรรมภาวนาทุกอย่างนั้นเป็นแต่เพียงอุบายที่จะทำฝึกขัดจิตให้มันติดอยู่กับสิ่งที่เรานึกบริกรรมภาวนาอยู่เท่านั้นเป็นอุบายเพื่อจะให้พราดความรู้สึกนึกคิดที่เราส่งกระแสจิตฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่าง แล้วให้มารวมอยู่กับคำบิกรรมภาวนาเพียงคำเดียวเป็นเบื้องต้นก่อนเปิดมุ่งหมายมีอยู่เพียงแค่นี้ <c oughs> ทีนี้ในอันดับต่อไปเนี่ยอาจารย์จะได้นำแบบพิธีการที่ท่านอาจารย์เสาท่านได้สอนกรรมาฐานมาในเทศทวัดเบนจะมาบอพิศ ประเดทยัยตะตัทนทั้งหลายฟังแล้วการในการสาท่านสอนกรรมฐานท่านแบ่งออกเป็นสามขั้นตอนตอนที่หนึ่งท่านสอนให้บริกรรมภาวนาพุทโธตอนที่สองสอนให้พิจารณาอากุภะกรรมฐานตอนที่สามสอนให้พิจรารณาธาตุกรรมฐาน ทีนี้วิธีการภาวนาพุทธโธหรือเดียวกว่า บ, บริกรรมภาวนานั้นถ้าท่านผู้ใด้สนใจก็หนังสือเล่มเล็กๆที่แจกไปเมื่อสักตุวนั้นนั่นแหละคือแบบภาวนาแบบท่านอาจารย์เสาท่านอาจารย์เสาท่านสอนว่าหลังจากที่เราไหว้ประสวดมนต์จบแล้วก็ให้แผ่เมตตาเมื่อแผ่เมตตาแล้ว ก็มากำหนดจิตเล็กถึงพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็บริกรรมภาวนาเอาเพียงแค่พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวใครจะเล็กพุทพร้อมกับลมเข้าโทพร้อมกับลมออกก็ได้ถ้าหากการไึกพุทพร้อมลมเข้าโทพร้อมลมออก จังหวะของการหายใจมันอาจจะช้าไปจิตอาจจะท่งกระแสไปในทางอื่นได้ก็ให้ปล่อยวางการกําหนดตู้ลมหายใจเสียเลิกพุดโทให้เร็วๆเข้าถหามันติดต่อกันเป็นพืชโดยไม่ขาดสายเลิกอยู่อย่างนั้นอย่าไปนึกว่าเมื่อไรเจตจะสงบเมื่อไรจะรู้จะเห็นเมื่อไรเจตจะสว่าง ไม่ต้องนึกหน้าที่ของท่านมีแต่เลกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไว้ในใจนึกเบาๆอย่าให้มีอาการขมจิตอย่าให้มีอาการเก่งกล่ําเนื้อต่างๆของร่างกายนั่งในท่าที่สบายนึกถึงอารมณ์พุโทโธให้สบายสบายให้เบาใจที่สุดแล้วก็เล็กอยู่อย่างนั้นจดจ้องอยู่ที่พุโทโธ เอาพุโทโธไว้ที่จิตเอาจิตไว้ที่พุโทโธในเมื่อเราในเมื่อเราเนึกพุโทโธพุธโทโธก็อยู่ที่จิตจิตก็อยู่ที่พุโทโธเพราะจิตเป็นผู้เนึกพุโทโธเนึกออยู่อย่างนั้นจนกว่าจิตจะสงบลงไปในเมื่อจิตเริ่มสงบลงไปนั้นมีข้อที่จะพึงสังเกตได้ว่า เมื่อเรามีอาการรู้สึกเคลิ่มเคลิ้มเหมือนกับจะง่วงนอนอย่าไปเข้าใจผิดว่าเราจะง่วงนอนหรือจะนอนหลับให้บริกรรมภาวนาพุทโธเข้าเบอร์เจตสงบวูบลงไปเหมือนอาการง่วงนอนก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่าไปฝืนใ น, นตอนนี้นะับภาวนาทั้งหลาย ในเมื่อรู้สึกว่ามีอาการเพริ่มเหมือนกับจะง่วงนอนแล้วก็มีอาการวูบลงไปแล้วก็ตกใจเกิดเอะใจขึ้นมาแล้วก็มาตั้งต้นใหม่จิตก็เลยไม่สงบ อ, อ, อีกสักทีเพราะเราไปตกใจเสียบอนในขณะที่เราบริกรรมภาวนาอยู่นั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็าตาม ให้เรากำหนดรู้ลงที่จิตและบริกรมรมภาวนาพุโทโธลงที่จิตเมื่อจิตต้องเราสงบเริ่มลงไปแล้วก็สว่างขึ้นมาคำบริกรมรมภาวนาพุโทโธหายไปจิตไม่นดกถึงพุโทโธอีกแล้วในตอนนี้ก็อยากเข้าใจผิดว่าเราเผลอไปมันเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบลงไปด้วยบริกรมรมภาวนา เมื่อภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบผู้ลงสว่างลงไปแล้วคำบริกรรมภาวนาพุทโธหายไปแต่ผู้ที่ไม่เข้าใจเมื่ออาการของจิตเกิดขึ้นอย่างนี้เลยเข้าใจว่าตัวเองนั่นเผลอสติไปแต่ความจริงมันเป็นการเปลี่ยนสภาพของจิตจิตที่จะเริ่มเปลี่ยนสภาพเข้าไปสู่สมาธินั้น มีอาการเหมือนจะนอนหลับนี่ต้องทำความเข้าใจไว้อย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ในเมื่อมันมีอาการเคลิ้มแล้วก็วูบลงไปพอมันหยุดวูบแล้วถ้าจิตจะเป็นสมาธิพอนิ่งพับมันก็เกิดสว่างขึ้นมาแต่ถ้ามันจะนอนหลับมันก็หลับมืดไปเลยไม่มีความรู้สึกภายใน อเ น, นรยยะเบื้องต้นของจิตที่เป็นจากการบริกรรมภผ่านา